สำหรับปีใหม่พศ2555ในวันพรุ่งนี้ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่าพืชมีเงาครบปีตะวีหัวทั้งขนาดและจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกลับถอยทด ดีลดลงคือปีหน้าเลวลงกว่าในปีนี้ไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวระชั่วเพราะเห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอย่ยอันชีวิตผลิดขึ้นมาจากพระธรรม ด้วยพระธรรมโดยพระธรรมนำวิถีสุตธิปัญญาเมตตาและขันติปีใหม่มีมากกว่าเก่าพวกเราเอ่ยเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านปีนี้ก็มีอะไรที่แปลกแปลก นอกจากธรรมชาติแล้วคนก็แปลกๆคิดอะไรแปลกๆเขาบอกว่าต้องสวดมนต์ก้ามปีอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนนี้ก็บอกว่าไป ถวายเพียนภาษาก้าววัดหลวงพ่อพูดหยาบหยาบกว่ามันบ้าทั้งนั้นแหละพวกนี้ไม่ใช่มันดีมันก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆหม่ใหม่ห ม, หม่ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะข้ามปีไม่ดีกว่าหรือจะข้ามปีไม่ใจว่าไป คดโกงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าปฏิบัติเฉพาะแต่วันที่สาอแล้วก็วันที่หนึ่งข้ามปีแล้วอย่างนั้นเรียกว่าโกงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติทั้งปีนั่นเนี่ยคือคนที่ไม่โกงปฏิบัติทั้งปีภาวนาทั้งปีไหวพระจวดมนทั้งปี ก่อนไหวพระจวดมนก่อนนอนรับศีลทั้งปีนั่นแหะคือไม่โกงแต่ น, นี้โกงพระพุทธเจ้าโกงพระธรรมโกงพระสงฆ์และก็มีอะไรที่ใหม่ใหม่หม่ให ม, ให ม, ใหม่ขึ้นมาเรื่อยคิดขึ้นมาใหม่เรื่อยเลยเรื่องนี้ก็มาจากพระอย่าพูดเลยว่าพระองค์ไหนหลวงพ่อก็รู้ดี มาจากพระทั้งนั้นส่วนมากนั่นคือผู้นำทำไมไม่นำไปในส่วนที่มันดีกว่านี้ก็ลองปฏิบัติกห้นําให้ปฏิบัติทํากลางปีก็ปฏิบัติทําต้นปีก็ปฏิบัติทําปลายปีก็ปฏิบัติทําก็ต้องปฏิบัติกันไปเรื่อยๆถึงเราไม่ข้าวคอร์สเราก็ปฏิบัติไปเรื่อย นั่นเรียกว่าปฏิบัติไปทั้งปีแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้น น, นี่มี่มีอะไรที่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่หมขึ้นมาเล่นอย่างนั้นทางนั้นเล่นกันอย่างนั้นทางนั้นยอหลวงพ่อไปบินตาบาตเขาก็ถามหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่สวดมนต์ข้ามปี หลวงพ่อไม่ทำหรอกวดข้ามปีนะตวดมันทั้งปีเลยก่อนที่จะนอนหลวงพ่อก็ต้องสวดแล้วก็แผ่เมตตาทําอยู่อย่างนั้นให้เขาบอกให้พวกคุณเนี่ยมีแต่ให้คนอื่นก็นําทางนั้นเลยเขานำไปทางไหนก็ไปทางนั้นอ่ะโง่ไปทางนั้นเลยไปเลิกงโง่พอแล้วได้จะใส่บาตรอย่างเดียวไม่เคยขึ้นมาวัด เขาบอกเขาว่านี่โยงก็มาปฏิบัติหกสิบคนเอา้าถ้าจะมีที่พักก็นี่มันปล่อยไก่หน้าฉีกเลยเห็นไหมปล่อยไก่กันเลยมีหลายคนนะที่ปล่อยไก่อย่างนั้นหน้าแตกดูที่คนได้แต่ทำบุญอย่างเดียวทำบุญก็ตักบาท ก็ทําบุญปีใหม่เขก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อไม่ไปบิณฑบาต ท, ที่หน้าพระนิโรกันตรายเลยหลวงพ่อเลิกแล้วฮะกินอย่างนั้นพอแล้วไม่มีใครให้กินก็อดใช่หลวงพ่อมาอย่างนี้แหละทุกวันแหละถ้าหลวงพ่อไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาอย่างนี้แหละนี่หลวงพ่อคณรู้อะไรด้วยว่าหลวงพ่อนนี้ไม่ใช่คนตาม หลวงพ่อชื่อเอี้ยนเอี้ยนนี่แปลว่าอะไรอีธาตอีธาตในความนำนี่โยมพ่อโยมแม่ก็ตั้งไว้ให้ฉะนั้นหลวงพ่อต้องเป็นผู้นำผู้นำไม่ใช่ว่านำเฉพาะแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวหลวงพ่อมาสร้างวัด เพื่อที่จะสร้างคนถ้าหลวงพ่อสร้างวัดหลวงพ่อก็ต้องอบรมเด็กนักเรียนให้มาเข้าพายปฏิบัติธรรมหลวงพ่อต้องไปสอนโรงเรียนยี่สิบกว่าปีโรงเรียนประจําจังหวัดในจังหวัดนี้แหละแต่หลวงพ่อก็เข้าวสถานีวิทยุเข้าในเรือนจํา แน ห, หลวงพ่อก่อสร้างอาาจะแม่ควรอิ่มเพื่อที่จะรวบรวมคนจีนให้มากินเจกันไปสามคืนสามคืนออกปัญษาหลวงพ่อก็เริ่มต้นด้วยการไปนิมนต์พระบอกให้มารับบาตรทางวัดจะจัดการตักบาตรเทวโอ รอบปศสามสิสองหลวงพ่อสร้าง ส, สงะพ า, า, า, า, านทางขึ้นคิดไปคิดมาคิดว่าน่าจะถักบาทเทียวเมื่อก่อนเงียบชีไม่มีใครทำอะไรกันหลวงพ่อก็ไปที่มนไปเองเดินเองตรงน้เอาวัดนี้มีพระกิรรูปสิบรูปเอาสิบรูปเอาไปห้าร้อยหกรอท่านจับรถไปเองนะนี่ ไปทุกวัดทุกวัดทุกวัดหลวงพ่อ ก, ก็ทำมาสามปีมอบมัยเทศสบานสงนโรงเรียนก่อเล้วอะไรก่อเล้วเอาโรงเรียนปิดภาพบวชสามเณรภาพฤ ด, ดูร้อนทําไปก่อนอีกไม่มีวัดไหนก็ทําทําไปก่อนอีก ยี่สิบสาสิบสสิบหเหมือนที่พูดมาแล้วนั่นแหละทำทำไปทำไปจนกระทั่งว่าทางอื่นเขาวัดอื่นเ็าทำวัดอื่นก็าทำแล้วก็เลิกเลยมันเรื่องอะไรทำกับเด็กก็มากทำกับนักเรียนก็มากกับใครก็มากโอ้ยังเหลือคนแก่ยังไม่ได้ทำ จะช่วยเหลื อ, อยังไงมีคนแก่อยู่สองคนคนหนึ่งชื่อโยมทิ้งคนหนึ่งชื่อโยมพัดแก่กประจำประจำวัดที่สงสารคนแก่โยมทิ้งก็ไม่มีลูกไม่มีหลานมาช่างกุฏิครั้งแรกอ้าวมันไม่มีฝา แกก็บอกว่าเอถ้ายหวยเงินห้าร้อยก็เลยได้ไปซื้อกระดานมาทำฝาเอาก่ออิดก่ออิดขึ้นมาแค่หน้าแข้ง ห, ห้มากหรอกไม่มีเงินซื้อพระที่วัดกุฮาสวรรค์นนะพระหลวงพ่อก็ตอนนั้นยังพักวัดกุฮารสวรรค์อยู่วัดกุหาร์สวรรค์นี่เป็นที่ที่อยู่เก่าพระก็บอกว่านี่ ที่ก็ก่อสร้างเมนมีอิดเหลืออยู่ห้าร้อยให้ไปเอาเถอะได้อิดคู่ผีมา500ร้อยเห็นไหมแล้ว ห, หลวงพ่อ ก, ก็ออกมาท ำ, ทำเองทำเองเอาทำเองทีนี้ก่อนยังไงอีกพอทำเสร็จแล้วต้องเทพื้นอีกพื้นก็ไม่มีเทพื้น ามาอยู่แล้วตอ น, นว่าวิสาขาบูชามาอยู่แล้ววันที่23กุมภาพันธ์มาเริ่มต้นพอเดือนพฤษภาวันวิสาขาบูชาคืนวิสาขาบูชาภาคค่ำก็ไปเทศในตลาดสดเทศเสร็จแล้วก็กลับมานี่เลยได้ลูกหมามาตัวหนึ่ง สีขาวอยู่กับลูกหมาอยู่กับลูกหมาสองตัวเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้หลวงพ่ออยู่องเดียวเดียวหลวงพ่อจะไปกลัวอะไรหมาตั้งหลายตัวเมื่อก่อนมีตัวเดียวแค่นั้นเองหลวงพ่อไม่กลัวทาอะไรไม่กลัวหลวงพ่อ น, นี้เป็นคนที่สู้สู้ที่สุดแต่ไม่ใช่สู้คน สู้กับกิเลสตัณหาสู้กับการงานก็พสู้หมดเสร็จแล้วหลวงตอนกลางคืนก็ออกมาปัสสาวะห้องน้ำที่ไหนมีมาถึงวันมาอยู่คอนมาอยูอุ่ดบอที่หน้าพระยืนุดบอทำยังไง มีพระรูปหนึ่งตอนนี้ก็เป็นพระผู้ใหญ่เจ้าคุณองอาจอยู่หลังสวนตอนนี้ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดตอนนั้นท่านก็มาก็เป็นเพื่อนกันก็เลยเอ๊ะธรรมดาว่าน้ำนี่มันอยู่ในผืนดินถ้าดินตรงไหนที่มีหญ้าตรงนั้นต้องมีน้ํานี่หลวงพ่อก็หลับตาดูเอ๊ะ ไอ้ตรงนั้นมันต้องมีน้นําน่เพราะภูเขาเนี่ยมันใช่มันตั้งร้อยๆอย่างนี้มันจะมีรากลึกลงไปก็ ม, มีรากลึกลงไปไอทางทิศตะวันตกมันมีภูเขาด้านน้นเวลาฝนตกร็ที่มันมันก้อยๆค่อยๆเอียงลงมาเอียงลงมนี่ก็ลงไปทะเลสาบจะนั่นภูเขานี้ มันจะต้องเป็นเขื่อนกั้นนะ้แต่น้ำานี่อยู่ใต้ดินเอก็เลยก่อนที่จะขุดก็มีรูปศิษย์องค์หนึ่งตอนนี้ก็อยู่วัดชนประทานเป็นด็อกเตอร์แล้วมาช่วยกันขุตวันนั้นก็มากันไม่กี่รูปช่วงทีทีพีโชสามจบ ผขุดไปสามหน้าจอบขุดเองสามหน้าจอบแล้วอธิษฐานจิตว่าถ้าที่ตรงนี้จะเป็นวัดก็ขอให้ได้น้ําเถอะพอขุดไปได้แค่กลางขาเองน้ําขึ้นน้ําขึ้นมาเลยพอน้ําขึ้นมาเลยขุดไม่ทันดีนี่ขุดไม่ทันขุดไม่ทันคนที่หน้าวัดเน่ะเขก็เลยไป ไปหาเครื่องสูบน้ำมาว่าอย่างนั้นขุดไม่ได้หลวงพ่อก็ว่าต้องติดวัดนี้ต้องเป็นวัดแน่เลยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับนี่คือแรงอธิษฐานหลายๆอย่างทีนี้พอตอนเที่ยงคืนอย่างนี้เดือนหงายหลวงพ่อก็ออกมาปัดสสวะ ออกมาป่าธรรมนี่ไม่มีต้นไม้นี่ไม่มีทางนั้นมีได้บนภูเขาตรงนั่นก็ยอดเขาตรงโน้นก็ยอดเขาทางโน้นก็ยอดเขาเดือนง่ยของพ่อเออใครอยากจะหลอกก็หลอกเลยเอาเอาเลยจะทํายังไงก็เอาเลยเอานั่งรออยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเกิดขึด้นเรนอน น, นอนต่อข้าไปนอนต่อในวันหนึ่งพรามันไม่มีซ่วมแต่นั้นร่วมก็ยังไม่มีอะไรไม่มีทางนั้น น, นี่แต่ที่นอนอข้าไปในป่าละเมาะประมาณชักบ่ายโมงบ่ายสองโมงข้าไปในป่าละเมาะก็นั่ง เพ่จิจะถ่ายอุจาระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนู้นนั่งมองนั่งมองไปข้างหน้า แ, แล้วลูกหมามันก็ตามไปด้วยลูกหมาตามไปตามไก็ออกปัจจว่ออกมา อ, อะไรข้างหน้ามันจะมีก่อหญ้าอยู่หน่อย อ, อะไรเกขาวๆมันเป็นเดือนเมษา เห็ดเห็ด อ, อะไรมันจะขึ้นได้ไม่มีฝนเลยกอเล็งดูเอ้ยไม่ใช่ไขงูนี่เห็นไขงูไไขงูอุ้ยนั่นแม่มันอยู่ข้างบนนี่มันพอดอยู่อย่างนี้มันพอดอยงพ่อก็เลยถอยเลยถออก็ถอ ย, ถ อ, ยอุ้มลูกหมามาถอยเลยโตโตโตก ว, ว, ว่าไม่เท่าอีก ของพ่อคุไม่คุ้นเคยกับมูตอนนั้นยังไม่คุ้นเคยกันทีนี้ก็ลงไปข้างล่างว่านีหมูตัวขนาดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะทำมันยังไงมันกําลังค่อยอยู่ค่อยมันไม่ใช่มีฟอง2่องกองนะตอนที่จับมาสาฟบสองฟองงูกระป่าทีนี้ก็บอกว่าเอาไปทิ้งไกล ถ้าไม่ทิ้งแรกเลยมันมาอีกมาอกพอหลงพอลงไปถามเด็กก็ขึ้นตามหลังมันมาเป็นปรวนเลยที่นเด็กขึ้นมาได้ปีบมาลูกเนี่ยแล้วก็ไม้เขียวเขียแล้วก็ยกใส่ปี๊บเอาไข่มันสาฟองนับดูใส่ให้มันไปแต่คนโน้นไปทิ้งข้างหลังนู้นอาไปทิ้งข้างหลัง ก่อนนี้อาศัยเด็ดส่วนมากาจะทั้งจะสร้างกุฏิอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีเสาไม่มีเสาเราจะต้องมีเสาที่กวอนกรีดเล็กหน่อยประมาณจักเมตนอย่างนี้ก็มาทำเสามาคอนกรีดเองตีสอตื่นจากวัดขวาสวรรค์ เดินมาเมื่อก่อนไม่มีรถเดินตั้งแต่เช้ามืดตีสี 4. มาถึงก็เอารายสั่งสายมาข้างล่างเอารายใส่ ย, าสาย่ามสับายแล้วมาถึงก็เทปูนเสร็จกลับเดินกลับเดินกลับก็ไปบินทบาทต่อทำอยู่อย่างนี้ทีนี้ตอนกลางวันถ้าตอนบ่าย ตอนบ่ายมีพระเนนจาวัตรูหาสวรรค์ก็ไม่ต่ำกว่าสิบรูปมาช่วนกันทุกวันทุกวันพาะบอกว่าจะสร้างกุฏิบอกโยมว่าในตลาดวิโยมพพ่อจะสร้างกุฏิก็ทำไม่ยากหรอกจะเอาไม้่อยมาทำเสาแล้วหาจากักซื้อจากมามุงไม่ยอมคนหนึ่ง อุบาสกใหญ่ที่วัดกว่าสวรรค์ที่ว่าโยมม่วงว่ไม่ได้เพราะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องมุงกระเบื้องอ๋อมุงกระเบื้องก็ต้องมีไม้ดิทำไงต้องเอากระเบื้องโยมม่วงก็เลยขอญาติโยมที่มาฟังธรรมในตลาดสดนั่นแหละก็เลยได้กระเบื้องมาพอได้กระเบื้องมาไม่มีไม้อีก อ๋อมีพระที่เป็นลูกน้องอโอ้ไปหาไม้กันอย่างนั้นไปหาไม้ที่นน่นที่ภูเขาี่ว่าภูเขาบานนาเรนนี่ที่ภูเขาบานนาอเลยนัดกันไปไปหาไม้มาทำเสากันไปกันสิบเอ็ดสิบสองรูปทั้งพระทั้งเนเอาก้าวสารใส่ ย, ย่ามไป ได้นมไปกระป๋องหนึ่งเสร็จแล้วก็มีอะไรต่ออะไรไม่รู้ที่บินตาบามดมาได้นิดนิดหน่อยน้ยนั่นแหละคดทอกันไปพอไปถึงที่บ้านนานโยมก็ถามว่าท่านมากันทําไมมากมายเพรากว่าจะขึ้นไปบนเขาไปหาไม้มาทํากุฏิสักหลังหนึ่งโยมก็ัาท่านไม่ต้องหาหรอก ไม้ก็ฟันตัดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่บนเขายังไม่ได้เอาลงให้ท่านไปเอาลงเถอดท่านก็เอาไปเลยเราก็โชคดีไปนิดหนึ่งขึ้นบนเขากันปากเช้านะั่นแหละพอขึ้นบนเขาก็ไปเอาไม้นั่นเนี่แปลงลงมาเพรมมันชันแปลงลงมาแต่ที่แปลงลงมนันเป็นทุ่งนาเป็นดินเหนียวไอ้ที่ตัดไปบ้าง ก็มีบ้างนี่แปลงลงมาแปลงลงมาแปลงลงมาได้เวลาก็มาฉันเป็นเน้นหนุ่มข้าวเน้นหนุ่มข้าวเสร็จแล้วก็ฉันเป็นไปพอตอนบ่ายเหนื่อยนักก็เลยต้มน้าร้อนแล้วก็ได้นมกระป๋องหนึ่งที่เอาไว้นั่นแหละนมกระป๋องหนึ่งก็น้าร้อนกาหนึ่งกใส่นมกระป๋องหนึ่ง ฉันกันสิเอ็ดสิบสอรูปนั่นแหละน้ำตาลก็ไนหมีอะไรก็ไม่มี จ, จ้างหัวมันฉันกันอย่างนั้นก็จะมันจะมีกระต้ออยู่กลางทุง่งนาคือมันจะมีสายน้ํามีสายน้ําแล้วก็มีวัดอยู่ด้านนี้ด้านนอนเป็นทุงน่งนาเลยทุง่งนาไปเป็นภูเขาอ้าวทำยังไง แล้วก็แปลงลงมาหมดพอ แ, แปลงไม้ลงมาหมดมาถึงเป็นยังไงไม้มันปักลงไปในดินเหนียวแค่ น, คนคี้แค่เม็ดนะโอ้ ย, อยถอดกันอีกเหงื่อแต่เหงื่อแ ต, อแตนร่มกันไอ้เวลามันก็จิ้มจวนแล้วทำยังไงมันจะคํำอยู่แล้วรีบทำกันทีนี้รีบรีบแบกไม้ขน มาที่ดิมริมคลองจะมีคลองน้ําไหลอ่ก็เรียกว่าคลองบ้านนานคลองน้ําไหลทีนี้ของพ่อนี้ไม่ถนัดแต่ว่าพระลูกน้องเขาเขาถนัดในเรื่องนะเขาบอกผูกแพรก็กผูกเป็นแพรผูกเป็นแพได้สองแพได้สองแพรเล่นกเราก็ล่องแพรกันว่าทีนี้ล่องแพถ้าที่ตรงไอยที่มันลึก ก่อแพมาทีนี้มันรองเท้าแล้วมันใส่ไม่ได้ตอนนั้นรองเท้าก็มีรองเท้ายางรถยนต์หลวงพ่อก็ดเสียเพราะว่าเสียเพไว้กับเชือกที่มัดไม้นั่นแหละลอยแพรมาจนถึงหน้าวัดออกมาถึงหน้าวัดเอารองเท้าอ้ามันเหลือข้างเดียวเหลือข้างเดียวก็อยู่ทั้งไันไป วางทิ้งไว้เฉยๆตอกไม้ขึ้นอาบน้ำอาบทาาเสร็จเรียบร้อยกันมืดก็มืดแล้วทีมืดก็มืดแล้วทำย่างไรก็เราเป็นหัวหน้าไดบอกแล้วอีธาตในความนำไปหาพ้อตำรวจพ่อตำรวจช่วยหน่อยเถอะในหลวงพ่อมาอาไม้เราไปทำกุฏิพระจิเบ็สบสองรูป ด้วฝากรถไปเถอะฝากรถข้าวในเมืองกัารรูปสองรูปสามรูปก็ได้เรามีป้อมตำรวจอยู่หน้าวัดบรรนานะตำรวจก็จัดการเรียบร้อยมีตำรวจอยู่คนหนึ่งเราก็ถามว่าให้หลวงพ่อเอาไปไหนเขาบอกอาไปที่หน้าวัดวังเนียงที่หน้าที่วังเนียงนะี่ยจเอาไปจ้างกุฏิแกบอกว่าพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องมา ผมบ้านอยู่ที่หน้าวัดพวกนี้ผมทุกไปให้เองใจลดไปให้เองเอาเลยนี่ที่หลังแขาก็เป็นนายพันตอนนี้ปลดกเกษียณแล้วยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ที่หน้าวัดนะ น, นี่คือเรื่องที่ลําบากลําบากลําบากลากําบากมากมายลําบากจนบอกไม่ถูกชีวิตหลวงพ่อลําบากจนบอกไม่ถูก ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวแล้วนี่ลำบากกับการกระทาลำบากกับคนอีกเ้าพอเริ่มต้นขึ้นมาอะไรขึ้นมาสองคนขึ้นตำรวจคุณมาทำไมและขอสถานที่นี้เป็นสถานที่ยิงปืนเพราะว่าจะให้ไม่ได้ สถ า, านที่นี้ฉันจะทำสานักวิปัสสนาหายไปหายไปหลายวันหายไปหลายวันต่อมาเขาถือว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่หลวงพ่อก็เส้นใหญ่กว่าที่หลวงพ่อเส้นพระพุทธเจ้านู่น น, นั่นไปหาท่านผูว่เขาไปหาท่านผูว่า ให้ท่านผู้ว่าขึ้นมาแล้วหลวงพ่จะไปกลัวอะไรกับท่านผู้ว่าหลวงรับแกเป็นปสิบปีที่สวนโมกจะเป็นรัฐมนตรีเป็นหมอเป็นผู้ว่าเป็นอะไร ห, หลวงพ่อรับมาหมดแล้วจะไปกลัวอะไรนี่ผู้ว่าขึ้นมีคุณนายคนหนึ่งเป็นคุณนายจากต่างประเทศนามาคนนั้นก็รู้จักกัน นายบอกว่านี่ท่านผู้ว่ามาตุระกับหลวงพ่อท่านรู้ว่ามีตุระอะไรท่านผู้ว่าพ็บอกว่าแต่ถสถานที่นี้เป็นสถานที่ยิงปืนท่านผู้ว่าไอ้ที่ยิงปืนถ้าท่านรู้ว่าหาไม่ได้หลวงพ่อจะหาให้แต่สถานที่นี้หลวงพ่อจะทําสํานักวิปัสสนา ลงเลยท่านก็ลงเลยพาให้นังสือธรรมะไปเล่มสเล่มท่านก็ลงไปเลยเขาทีนี้ต่อมานายกเทศมนตรีอีกท่านอย่าทำอะไรนะที่นี้นะทำอะไรไม่ได้ไม่กลัวอะไรเขาก็ไม่มีโฉนดเราก็ไม่มีโฉนดแล้วกฏที่นี้มันเป็น สาธารณะประโยชน์และวัดมันไม่เป็นสาธารณะประโยชน์ เ, เขาบอกว่าท่านอยากสร้างอะไรนะอย่าสร้างกุฏิหลังใหญ่ๆหลวงพ่อก็บอกว่าจะสร้างอย่างง้อยท่านนายกหลวงพ่อไม่มีเงินที่จะสร้างหรอกแต่ อ, อ, ย อ, ยอยู่กันไหนรูปนะใครจะมาอยู่มันลำบากยากเก็นอย่างนี้ก็เลยเป็นการบ้านให้หลวงพ่อ อบอกใครไม่ได้ตอนนั้นบอกใครไม่ได้ปิดปิดปิดไว้ปิดเอาไว้ก่อนปิดไว้ไวก่อ น, น, นเออเราต้องแก้ปัญหานี้ได้ทํำยังไงธรรมดาว่าวัดจะต้องมีเจดีย์จะต้องมีพระพุทธ ร, รูปเออสร้างพระพุทธ ร, รูปดีกว่าอย่าสร้างข้างล่างเลยสร้างไปจากข้างบนอู้นสร้างมาจากข้างบนขึ้นไปดูดิพวกนี้วางวาง สร้างข้างบนก่อนแล้วกดสร้างลงมาสร้างลงมาสร้างลงมาใครจะไปทําลายพระพุทธรูปก็ไปทําลายที่ก็เอาที่ไม่ว่าหรอกไม่ว่าแค่นั้ น, นต้องสู้ได้เรื่องต่างๆนี้ต้องสู้ได้เราต้องแก้ได้ไม่ต้องกลัวต้องแก้ได้นี่ต้องแกไ้ได้ไม่มีน้ําเราก็แก้ได้ ไม่มีทางเดินเราก็แก้ได้ไม่มีที่อาเจยเราก็แก้ได้ไม่มีอะไรแก้ได้แก้ได้เท่านั้นเอาทีนี้ก็คิดในใจเออไอ้พวกนี้มันดูถูกเราเรื่อเกินแล้วต่อไปเราจะต้องใช้หัวมันเสียนี่เป็นยังไงทีนี้ออกมาที่หลังนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย เรีว่าคนก่อนจากนี้เขาก็ช่วยเหลือหลวงพ่อช่วยเหลือหลวงพ่อช่วยเหลือทีนี้คนนี้จึงช่วยมากเพราะว่าหลวงพ่อจะสร้างศูนย์คนจราแน่ก็ขอที่ดินไวยได้เจ็ดไร่โด ย, ยทางนี้แหละตอนนี้ผู้สูงอายุสามพันคนแล้วตอนนี้นี่พอมีงานงานของ วันเกิดในหลวงวันเกิดราชนีวันของผู้สูงอายุพขาไม่ได้เปน็นนิมนต์พระอื่นในพูดเลยหลวงพ่อองค์เดียวเนี่ยพูดอยู่ไปพูดคนสองพันสาพันไปพูดกันไม่รู้กี่ปีแล้วหลวงพ่อเป็นพูดนำเป็นพูดนำอย่างนี้แ้วเสร็จแล้วตอนนี้ประจัดรกระจายกันไป รองพู้ว่ากับหัวหน้าปฏิรูปที่ดินไปหาพระหาวัดโ น, น้นวัดนี้วัดนั้นได้แต่พระเหรียนได้แต่พระดินพระเหล็กมาทางนั้นเลยไม่ได้พระคนพระปฏิบัติหนายากได้ข่าวยังไงไม่รู้รองพู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ย้า้ไปอยู่ชตูนอพ่อก็ไปช ส่วนน้องชายเป็นผู้ว่ า, าย้ายมาจากสงกรานี์มาอยู่ในปัจจุบันนี้ทจนี้เขาก็รู้อย่างไรไม่รู้ขึ้นมาหาหลวงพอ่อก็คุยทางมากกันก็ชอบธรรมะก็คุยคุยคุยคุ ย, ค, ย, ค, ยคุยกันหลายครั้งหลายครั้งก็เลยไปไ ป, าปามาๆนี่มรหลวงพ่อไปอบรมมาใจอบรมหลวงพอ่อ ไอหลวงพ่อนี่แหละอบรมข้าราชการหัวหน้าสำนักงานไม่ต่ำกว่าสี่สิบคนของพ่อจอไปนอบรมนี่ไปอบรมครั้งหนึ่งครั้งละสองร้อยสองยสองอยารากลางจังหวัดนี่ขึ้นเป็นว่าเล่นแล้วของพ่อสาลากลางพอจบที่สาลากลางจังหวัด ไปอศมอทุกอำเภอในตัวจังหวัดนี้ี่ยังเหลืออยู่ที่อำเภอก็ไม่ทราบตอนนี้เกือบเกือบเกือบจะหมดแล้วแต่ต่อไปก็เลยเอามานิมนต์อีกหัวหน้าอัยการก็จะเอารูกน้องลูกน้องมาอบรมอบรมที่สารกลางกัหัวหน้าพัฒนาแรงงานหัวหน้าการเงินหัวหน้าอะไรต่างๆ ตกรองว่หลวงพ่อบอกแล้วไอ้พวกนี้มึงอย่าอวดดีไปเลยกูจะใช่หัวพวกมึงเนี่ยมันเป็นแล้วตอนนี้เป็นแล้วนี่มันเป็นแล้วเป็นเพราะอะไรธรรมะใครจะเก่งไปกว่าธรรมะไม่ได้ธรรมะเท่านั้นครองโลกครองจั ก, กรวาล น, นี้คือธรรมะเท่านั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือความถูกต้อง นั่นความถูกต้องจะต้องครองโลกความไม่ถูกต้องอยู่ได้ไม่นานบนนี้มีพระเกิดขึ้นมาอยู่สองครั้งอยู่ไม่ได้หลวงพ่อขึ้นมาใหม่ๆเด็กขนาดสิบกว่าปีมันยังจบประมาทหลวงพ่อเลยอ้ย อ, องนี้ผอมๆ อ, อย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้หรอกไม่มีทางนี่เด็กมันยังจบประมาทเลย พอจบประมาทแล้วเป็นยังไงตอนหลังเรียนเก่งเด็กคนตอนหลังบ้าเลยนี่เป็นคนบ้าอยู่ตอนนี้ก็ยังบ้าอยู่นั่นคือมันจบประมาทหลวงพอ่อไม่ใช่ว่ามันบ้าคนเดียวนะน้องมันก็บ้าน้องสาวมันก็บ้าน้องชายมันกโอ้สารพัดเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ต้องการว่าเออให้คนก็มีธรรมะกันบ้างเจ้าขึ้นมา ตีหา้าเอาลำโพงส่งไปเสร็จแล้วก็เปิดทํดาวัดเช้าพ่อมันก็ว่าเออพระอะไรก็ไม่รู้หนัวขูอ่าเห็น ไ, ไหมหนัวขูไปเปิดเราจะนอนก็ไม่ได้นอนเ อ, อ้ยอย่าเปิดมันอย่างนั้นอย่เปิดเนี่ยมันก็จะเบียดเบียนหลวงพ่อเบียดไ้เถื่อเบียนไปเถื่อหลวงพ่อไม่กลัวไม่กลัวทางนั้นเลย กลัวเลยทำขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดแต่แชไม่ใช่ว่าไปเด็ดขาดกับคนอื่นต้องเด็ดขาดกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ไม่ได้ต้องแก้อย่างนั้นต้องแก้ไปเรื่อยๆต้องแก้ไปเรื่อยๆจนมันลงตัวเนาะทุกอย่างมันลง ทีนี้กีหลังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละคนแต่ละคนหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อจะไม่ครบทุกคนถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดคนไหนเป็นคนดีหลวงพ่อครบถ้าไม่ดีหลวงพ่อไม่ครบหลวงพ่อไม่ครบแต่ส่วนมากที่บนคนดีย้ายมาก็ก็จะมาหาหลวงพอ่อเขจะมากราบหลวงพอ่อส่วนมาก เป็นอย่างนั้ น, นก็จําไม่ได้แล้วมันหลายคนหลายคนเกินไปจําไม่ค่อยได้แต่คนดีไม่ให้คนที่ไม่ดีให้ร้ายหลวพงพ่อหลงพ่อก็ว่าต่อหน้าหลวงพวว่อไม่ได้กลัวคนบอกว่าเฮ้ยผู้ว่าอย่างนี้มันต้องให้เป็นผู้ตรวจสองคนแล้วที่เป็นผู้ตรวจไปนี่หลวงพ่อว่าอย่างนั้นผู้ตรวจไปสองคนแล้วนี่ ของ่อไม่จับสิทธิ์แต่ว่าก็คือกรรมที่เขาทำเองนั่นแหละนธรรมะไม่ได้ประมาทกับธรรมะนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูว่าสมอยโน้นสมไยพระพุทธเจ้า น, นายปรานคนหนึ่งเข้าไปในปา่าถืองอถือหลาไป ไ ป, ปล่าสัมีหมาสองสามตัวสี่ตัวอ้าตัวเปเ็นพระอ้าวชวยอีกแล้ววันนี้สวยอีกแล้วเป็นพระอย่างนี้ไปพอไปเดีวก่เพราะพระนี้แล้วเราจึงไม่ได้อะไรสักนิดหนึ่งตอนกลับก็เจออีกเจอพระอีกเจอพระอีกทีนี้ทำยังไง กให้ยุ้ยหมาน่ะกัดพระพระก็ทํำยังไงไม่มีเครื่องมือเราจะนิดมีแต่บาทรูปกจะไปครอบหัวหมาได้ยังไงขึ้นต้นไม้พระขึ้นต้นไม้พอพระขึ้นต้นไม้ก็ยุคหมาอย่หมาหี่ได้หมกูหอกแทงก้นพระ พ้ะก็จะตกดีไม่ตกดีตอนนจีวรก็หลุดหมดเหลือแต่สบ o หลุดลงมาไอ้นายพรานมันก็อยู่ข้างล่างพออยู่ข้างล่างไอ้จีวรพระเนี่ยลงมาคลุมนายพรานทีนี้ไอ้หมาก็ข้าวใจผิดก็คิดว่านายพรานตกแล้วกัดนายพรานตายเลยเจ้าของหมาตายเลย เนี่ยทุกตัวทุกฐานหังไอ้ทุกแต่ท่ทานทุ ก, ท น, ทกนั้นถึงตัวทันทีทนันเดเลยเห็นไหมเห็นไหมจะรูปแล้วว่าพระองค์นี้คือพระอริยเจ้านั่นเองคือพระอริยเจ้าพระองค์นี้ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์นี้เป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระสงฆ์สมมติเราต้องเข้าใกล้ ข้าวกลายเลยไปฟังธรรมไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เราป่าพระองค์ไหนเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกต้องฟังธรรมไม่เจรู้แต่ว่าพระองค์นี้เป็นเจ้าคุณองค์นี้ชั้นราษองค์นี้ชั้นเทพองค์นี้ชั้นธรรมองค์นี้ชั้นสมเด็จโอ้ยอย่าเลยสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสักนิดหนึ่งเรามาตั้งกันเอาเองทางนั้นเลยแบกพัดกันแอนเลยตอนนี้ แต่หลวงพ่อไม่ต้องการไปหลีกางดีกางหลีกางอย่ามาเข้าใกล้หลวงพ่อัดยศอย่างนั้นมาเข้าใกล้หลวงพ่อไม่เอาอย่าเลยอย่าเลยไม่เอาเอาธรรมะอย่างเบียวไม่เอาทีานี้ถ้าตัวเองได้ธรรมะเราก็จะได้เจกจ่ายให้เพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พ่อดีใจที่ได้ช่วยเหลือมนุษย์นี่จะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเจ็บ b a c เจ็บคอยังไงหลวงพ่อให้บรรยายที่อหญ่ใหเจ็บคอหลายครั้งเกินไปอยามาฉีดฉีดีเขาให้ยามาฉีดคอเข พ, พูดได้ทีละชั่วโมงสงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไม่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหา โอ้ยได้พูดอาญาติโยมก็สบายใจของพ่อก็พอใจแล้วทีนี้เล่าความก่อนเกิด น, นิดหนึ่งเพราะหลวงพ่อเป็นลูกพระเป็นลูกของพระจิตวิญญาณก็เลยเป็นพระในตอนที่โยมแม่ มีคันขึ้นมาพราะทำให้ฝันว่าได้ดอกบัวสองดอกแต่เสร็จแล้วโยมแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นขวาแขกพอหลวงพ่อโตขึ้นมาโยมแม่ก็บอกพอก็เราก็เฉยเฉเฉยเฉยเฉยเยจนกระทั่งว่าโยมพ่อจะเสียชีวิตโยมพ่อก็สั่งโยมแม่ว่าให้บวชเนให้ลูกคนนี้ด้วย นี่ต่อมาโยมแม่ก็บอกขีนบอกว่านี่คันว่าได้ดอกบัวสองดอกกานทีการที่ตอนที่ท่านมีคันกินแต่ดอกบัวดอกบัวดอกบัวชอบกินดอกบัวกินแต่เกสรอดอกบัวทีนี้่หลวงพ่อเป็นเนรหลวงพ่อเขคิดว่าเออดอกบัวสองดอกก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ แล้วประสงค์ไหนไปไหนสองโดมันไม่ใช่ต้แก้กันมาไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ตอนที่รับโยมแม่มาไหวทางนี้แหละเอาท่านมาเลี้ยงไหวกลับจากสวนโมกกำบารมิ์เอาขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วก็ทำบารมิ์ให้โยมแม่อยู่เราทาให้โยมแม่อยู่ก็ได้เป็นตาบาทได้อะไรมาคนเลี้ยงโยมแม่ เลี้ยงโยมแม่เลี้ยงโยมแม่ไว้ที่นี้พอที่หลังมาก็เลยคิดได้ดอกเบีย้ยดอกบัวสองดอกที่โยมแม่ฝันตอนที่หลวงพ่อข้าวท้องเกาคือดอกที่หนึ่งเป็นของหลวงพ่อดอกที่สองเป็นของเพื่อนมนุษย์เชนั้น ต้องทำดอกบัวดอกที่หนึ่งให้มันบานก่อนถ้าดอกบัวดอกที่หนึ่งไม่บานไปช่วยเหลือดอกที่สองไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มานั่งฟังอยู่ที่ตรงนี้นี่คือดอกบัวดอกที่สองที่หลวงพ่อจะต้องช่วยนี่คือหน้าที่หน้าที่ที่หลวงพ่อจะต้องทำ ก็เลยต้องขึ้นเหนือล่องตายขึ้นเหนือล่องตายขึ้นเหนือล่องตายถ้าขา้อนิ้มต์ไปบรรยายธรรมไม่เคยปฏิเสธเลยไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้คิดว่าโอ๊ยโยมก็จะได้ถวายเงินมากๆไม่เป็นไรขอค่าภาชนะพอแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ามากไปกว่านั้นมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีก ที่เหลือนะเอามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกนี่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้นี่มันเลยอยู่อย่างนี้ฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าถ้าพระองค์ไหนหน้าตาเฉลีม่มเฉลี่ยเฉลี่ยโอ้ยองนั้นเรียบร้อยดีอย่างนั้นอย่างนี้พูดเก่งระวัง แต่ถ้าองค์ไหนท่านรู้จักพระโพธิธรรมไหมพระโพธิธรรมพระอรหันต์องค์แรกที่ไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศจีนพระโพธิธรรมมีหนวดมีเคราตาของท่า น, นเหมือนกับไข่ไก่อย่างนั้นน่ฉะนั้นสังเกตวา่าถ้าพระองค์ไหน จริงถ้าพระองค์ไหนจริงพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงพระอรหันรู้เอาไวา้นี่พระอรหันต์นั่นคือพระรอรหันต์หงพ่อไปติเบตนี่ไปโยมยินดีกับคณะของเราเนี่ยีสิบกว่าคนความตั้งใจที่จะไปอยากจะไปเห็นพระมิลาเลปา พระมิลาเลปะท่านก็ลำบากมากครอบครัวถูกเบียดเบียนอะไรตัวอะไรจนท่านจะต้องไปศึกษาเรื่องของไสยศาสต ร, ร์พอเสจแล้วไสยศาสต ร, ร์มันก็ช่วยให้ดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งก่อกรรมก่อเวรมากขึ้นไปอีกท่านก็เลยเลิกวิทยาไสยศาสต ร, ร์ ขาไปหาพุทธศาสนาแล้วท่านก็ปฏิบัติอยู่ตามถาม้ำตามเขาได้โอกาสท่า น, าาานา ก, กมามาน็มาเยี่ยมบ้านเพราะไปตั้งแต่เล็กๆไปตั้งแต่เล็กๆมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าบ้านมาตอนเย็นขึ้นไปอยู่บนภูเขาเจอคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ท่านก็ถามว่าไอ้ที่บ้านนั้นเจ้าของบ้านยังอยู่ไหมตอนนั้นก็ตอบว่าอยู่อะไรคนที่เป็นพ่อก็เสียชีวิตไปที่เป็นแม่ก็เสียชีวิตไปมีลูกชายอยู่คนหนึ่งไม่รู้นี้หายไปไหน มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็เตลิดเปิดปึง น, นี่พอตอนค่ำท่านก็เลยดอดลงไปไปดูบ้านของท่านเพราะท่านมีบ้านหลังใหญ่มีนามีไอจามรีเป็นฝูงใหญ่ๆเราก็เลี้ยงจามารีกันทางนั้นที่ทเบดทีนี้ก็ข้าวไป ไปตรวจดูในบ้านหลังคาก็ทะลุปลูโปร่งฝนร่วงหูไปหมดแล้วก็ข้าวไปอยู่ไปดูในในครัวพอข้าวไปดูในครัวเห็นกระดูกกองอยู่โอ้ยกระดูกแม่เลยจสรแล้วก็เก็บกระดูกเก็บกระดูกเก็บกระดูกแล้วมีเพื่อนดยกันคนหนึ่ง ก็ช่วยกันออมาตำตำตำตำตำตำทำให้ละเอียดพอตาให้ละเอียดเสร็จก็เลยเออกมาผวดสมกับดินเหนียวแล้วก็ทําเป็นเจดีดินนี้เจดีทําเป็นเจดีเจดีก็คงทำกับดินเหนียวทีวนี้เราจะเห็นว่าคนที่เบต นับถือเจดีไปที่ไหนก็เจดีเจดีเจดีเจดีทั้งนั้นพระมาะนี่เจ้าเจดีไปตรงนั้นก็มีเจดีแต่ว่าที่เบตก็เจดีเหมือนกันแ่ก็ทำเล็กเล็กเจดี JD ที่เขาเอาก้อนหินนี่เขาทำง่ายๆ่แผ่นหินแผ่นนี้ใหญ่ไว้ข้างล่างแผ่นเล็กเล็กก็ค่อยๆวางขึ้นวางขึ้นวางขึ้นวางขึ้น ใจดีก็แล้วนะใจดีก็แล้วใจนี้พอท่านทำใจดีเสร็จเรียบร้อยท่านก็ขึ้นไปทางเหนือเมื่อขึ้นไปทางเหนือท่านก็ไปอยู่ในร้ำอย่างเดียวไม่อยู่ที่อื่นไม่ได้ลงไปบินตะบาทไม่ไปไหนมีหม้อก็คงแบบเหมือนกับบาทอย่างนะั้นลูกหนึ่งแล้วเสร็จแล้วที่หน้าท้ำก็มี่า เป็นผักกูดท่านก็ฉันแต่ผักกูด ต, ต้มผักกูด ต, ต้มผักกูด ต, ต้มผักกูดฉันแต่ผักกูดทุกวันจนเนื้อตัวของท่านเขียวเป็นผักกูดไปเลยผ้าก็ไม่มีไม่มีผ้านุ่งไม่มีอะไรคนไปหาในที่นี้น้องสาวพอรู้ขา่าวไปเยี่ยมท่านไปเยี่ยมท่านก็มีความละอาย ก็ซื้อผ้าไปบอกว่าท่านไม่นุ่งหรอกท่านไม่นุ่งท่านไม่อยากไปยุ่งยากกับมันน้องสาวก็ลออ้องโหยมร้องง่ายท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เธอจะเป็นปลอกก็แล้วกันเป็นปลอกแล้วก็เอาไปสวมเ อ, เอะว้ยาวเพศแค่นั้นพอแค่นั้นพอนี่ท่านทำอยูหลื่งนั้นโยกอย่างนั้นทีหลังท่านปฏิบัติปฏิบัติจนเคร่งครับ เป็นพระอระหันต์ทีนี้ธรรมดาคนที่เรียนไสยศาสตร์มานจะได้ฤทธิ์ปฏิบัติแล้วก็จะได้ฤทธิ์ด้วยแต่ฤทธิ์น่ะไม่ใช่ว่าเอาไปดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ไม่ได้เดินบนน้ําดําดินก็ดับทุกข์ไม่ได้อย่าไปหลงมันถ้าได้ฤทธิ์อย่าไปหลงมั น, อ, มนอันนั้นมัน รางวัลข้างเคียงไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งรางวัลข้างเคียงทีนี้ถ้าสมมติว่าค น, านไม่เชื่อถื อ, อราณิอะไรก็ไม่รู้ราณิอะไรก็ไม่รู้ท่านคนไม่เคารพไม่นับถือมีอยู่อีกอง์นึ่งอีกนะในประเทศอินเดียนะท่านไปบินฑบาดทุกวันทุกวันทุกวัน ท่านเป็นลูกของเศรษฐีนี่ท่านก็จะพูดกับใครก็ไอเจ้าถอยเจ้าถอยเพราะเป็นลูกเศรษฐีติดมานี่ก็เรียกนิสัยนิสัยละไม่ได้เจ้าถอยเจ้าถอยทั้งเจ้าถอยไปไหนอะไรเรอเราเจ้าถอยจนคนก็รู้กันหมดแล้วพระองค์นี้เจ้พูดเจ้าถอยวันนั้นพอดี มีคนที่ขายพริกเอาพริกใส่รถใส่รถลากไปเข็นไปเข็น้เจ้าถอยนั่นอะไรอย่างในรถโอ้พระนี้เจ้าคนมาเรียกเราเจ้าถอยที่นี่ขายพริกจ้ะาอาขี้หนูนะบอาว่าขี้หนูแค่นั้นแล้วก็ไปไปถึงตลาดก็ไปขาย พอไปกายผมเปิดขึ้นมาอะไรเป็นขี้หนูหมดเลยพริกนะเป็นขี้หนูหมดก็เป็นขี้หนูหม ด, อหหมดโอ้ทายังไงกาดตุนแล้ววันนี้ก็คุยกับเพื่อนว่าเราจะทํายังไงดีเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไปขอกระมาท่านดิขอก็มาท่านว่าที่ที่พูดไปเนะ่ะขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจขอท่านว่างดโทษให้เสร็จแล้ว ไอ้พริกนั้นก็เลยกลายเป็นพริกตามเดิมไอ้ขี้หนูนั่นแหะกลายเป็นพลิกตามเดิมก็กลายเป็นพลิกตามเดิมเห็นไหมนี่ประวัติพลิกนั้นก็เลยกลายเป็นชื่อว่าพลิกขี้หนูนั่นเห็นไหมตัมน้ำพลิกกันอยู่ทุกวันยังไม่รู้จักพลิกขี้หนูนั่นเนี่เป็นพลิกขี้หนูทีนี่พระมิลาเลปะท่านเป็นพระอรหันต เวลามีพายุมาเลยอย่างนี้ท่านจะขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปถึงท่านป้องป้องหูฟังอย่างนี้หน่อยเสียงลมมันยังไงเสียงมันไม่ใช่ก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดดบไอเสียงลมมันก็าวางไอเสียงคลื่นมันก็ว่างเสียงอะไรมันก็ว่างแต่เสียงแห่งความสงบมันมีตัวเรียกว่าเต็มโลกเต็มจักรวาล เสียงแห่งความสงบนั่นเนี่ยคือเสียงแห่งพระนิพพานเสียงแห่งความสงบเสียงแห่งความสงบนั้นทำให้จิตสงบได้ยินเสียงก็สงบเห็นทางตา ก, ก็สงบได้กลิ่นทางจมูกก็สงบเสียงแห่งความสงบข้าไปอยู่ทังนั้นแต่สุดแล้วเราฟังไม่ถูกเสียงแห่งความสงบนั้นในนี้หลวงพ่อไปที่เบ ต้องการที่จะไปดูพระองค์นี้ก็ไปกันไปไปขึ้นพระราตุวังโอตาลาที่นั้นที่นี่ไม่เห็นไปฉะนั้นก็ไปอีกวัดหนึ่งไปอีกวัดหนึ่งตรงข้ามน้ําข้ามท่าไปเป็นขั่วโมู่มันมีทะเลสาบลงเรือไปเสร็จแล้วก็ขึ้นรถต่ออีกไปวัดนั้นเป็นวัดใหญ่อันนั้ก็ไปชมชมชมช ม, ชม ชมเหมือนพิพิธภัณฑ์อย่างนั้นนี่หน่อยพระมิลาเลปะอยู่ตรงหน่อยตรงหนอยตรงหน่ ย, นยเสร็จแล้วก็กดมีพระออกปั้นไว้เป็นป้าปั้น้ปาปั้นพระมิลาเลปะตาโตน่าเกลียดแต่เสร็จแล้วป้องหูอย่างนี้เอาป้องหูอย่างนี้หลวงพ่อรู้เลยอ๋อนี่เจอแล้ว พระมิลาเลป่าหลวงพ่อเจอแล้วหลวงพ่ออุปถัมภ์ไปถึงประเทศทิเบตไปดูพระมิลาเลปาโยมก็ก็ไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์ของหลวงพ่อนะอยู่ที่ตรงนั้นคือจะไปดูพระอรหันต์ที่ชื่อมิลาเลป่านี่เป็นยังไงนั่นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะพูดตรงไปตรงมาเหมือนกับคนดุ คือเป็นคนจริงเป็นคนจริงดังนั้นถ้าเราไปเจอพระองค์ไหนเป็นคนจริงข้าไปใกล้ข้าไปใกล้เ ข, า, า, ขาจะพูดจริงพูดอะไรเขาจะพูดจริงหมดพูดจริงหมดเขาไม่พูดประจบสอบพอที่จะลวงกระเป๋ายมเราก็าจะพูดจริงหมดอะไรจริงหมดเห็นไหมงั่นคือตัวอย่างพระราหันองค์หนึ่งในประเทศทิเบต คือพระมิลาลีปะจำเชียวมันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งตอนนี้ก็หาไม่ค่อยได้แล้วหนังสือเดิมนะของหลวงพ่อก็มีอยู่เล่มหนึ่งไม่รู้ใครเชี่ยวไปไหนแล้วหาไม่พบหาไปหามาตอนนี้ก็ยังหาไม่พบกระจัดกระจายหนังสือมันมากเกินไปนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่ามิลาลีปากราต้องไปกันนี นี่โยมที่นั่งทางขวามือหลวงพ่อนี่นี่ไปกันด้วยพอไปแล้วก็เป็นยังไงไม่สบายอากาศมันไม่พอที่นั้นอากาศไม่พอแพ้อากาศแพ้กันคนละนิดคนละหน่อยแต่หลวงพ่อสบายสบายไม่แพ้แพ้ความเหนื่อยอย่างเดียวแต่ว่าอาัยที่ว่าฝึกมานานฝึกทุกวัน ขึ้นเขาทุกวันลงเขาทุกวันวันนั้นมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นไปที่พระราชวังโปตาลานสูงทีนี้ก็ก้าวไปเป็นซอกเป็นซอยเหมือนกับรูหนูแต่ว่ามันมีอะไรที่พิสดารมากประเทศทิเบตถ้าใครจะไปประเทศจีนไปเสียงไห่ไปโน้นไปนี่ไปนั้น ไปที่เบสสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปแล้วประเทศจีนสุดยอดของประเทศจีนแล้วใ น, นที่ตรงนั้นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นอันว่าหลวงพ่อจะพูดไอ้ที่ค้างไว้ไอตอนเช้าต่อในเรื่องของฌานฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าญาณแปลว่ารู้แปลว่ารู้ทนี่เพ่ง ต้องอาศัยสมาธิอาศัยสมาธิทีนี้เพ่งหาอะไรก็บอกแล้วว่าสมัยนั้นเขาต้องการพระนิพพานกันเมื่อต้องการพระนิพพานกามสุขาริการุาริกา ร, รการุโยคคือการมั่วสมทางกามก็ไม่ใช่นิพพานกามสุขันธกานุาาาโย อัตตะกิฬ า, า, า, า, านตภะมัฐานโยการทรมานตนให้ลําบากจนจะตายก็ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุได้ทีนี้สมัยนั้นก็ไปเลยต้องเข้าป่าพอเข้าป่าเขาเรียกว่าป่าหิมมาพานก็คือป่าที่ใกล้ๆภูเขาฮิมาลายนั่นแหละแต่ประเทศเนปานลมันก็เขาเรียกว่าป่าหิมมาพาน มทีนี้เป็นยางไงพอกล้าป่าไปไปปฏิบัติปฏิบัติก็มีหลายอย่างหลายประเภทพวกที่อัตกิลมัทานุโยกก็นอนบนหนามั่งเป้าผมไม่ตัดมั่งไม่นุ่งผ้ามั่งอะไรมั่งหลายสิ่งหลายประการแต่ว่าผู้ที่ไปทางนี้คืออารารดาบดและอุตะกาดาบดเป็นผู้ที่ไปพบเรื่อง ฌานอาราดาบทพบเรื่องฌานแล้วก็เป็นหัวหน้าใหญ่รูปฌานรูปฌานก็มีวิตกวิจา์ปิติสุเกกกตาวันที่หลวงพ่อพูดเมื่อตอนเชาน้าวิตกตรกวิจานตรองวิจาร์ตรองตรอ ง, ตรองทีนี้ เราคิดว่าอการปฏิบัติธรรมนี่ยากเหลือเกินไม่จําเป็นจะต้องได้ฌานสี่ไม่จําเป็นจะต้องได้ฌานแปดแต่ถ้ามันจะเป็นก็ให้มันเป็นแต่ที่เราเป็นเราเป็นแค่วิตกวิจารณพอวิตกวิจารณปิติแค่นั้นพอเอาแค่นั้นพอเรนี้เราต้องย ก, กจิตย ก, กจิตที่เป็นสมาธิแล้วนี่แหละ ขึ้นตรีตรองทำงานทำหน้าที่ีทำหน้าที่ยกจิตขึ้นทำหน้าที่วันที่พูดตอนเช้ามืดนั่นแหละให้พอทำหน้าที่มันลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนจนเป็นฌานจนเป็นฌานจนเป็นฌานมันเกิดวิตกมันเกิดวิจารณพอวิตกวิจารณ์ระ ง, งับปรงก็เกิดปิติ ไม่ใช่มันเกิดป่าเดียวป่าดาวเนาะมันจะเกิดอยู่ยางไรก็เกิดปิติอิ่มใจเกิดสุขปีตินั้นอิ่มใจแต่สุขนะ่ะมันเย็นใจสุขนะ่ะมันเย็นใจเอวิตกวิจารปีติสุขต่อไปขั้นสุดท้ายของรูปปัจจันก็เรียกว่าเอก ก, กตาจิตจิตเป็นหนึ่ง เรียกว่าอุเบกขาก็ได้จิตเป็นหนึ่งดิ่งเลยจิตเป็นหนึ่งสมมติว่าเราเดินไปอย่างนี้เราอยู่ในเอกะกัตาจิตมีคนเขาเอาข้างทางนี่ข้างทางด้านซ้ายด้านขวาด้านนี้เป็ดนินจินดาเต็มไปหมดตลอดทางด้านนี้ แต่มไปด้วยเครื่องประดับนานาชนิดทำให้เกิดกิเลสตัณหาแต่ว่าคนที่ได้เอกกตาจิตเดินเฉยไม่สนไม่สนไม่สนใจทางนั้นเลยไม่สนใจทางนั้นเลยไปแนวไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเราถือท้ายเรือถือท้ายเรือทีนี้ เรือมันก็เรียกว่าพอเราพายไปพายไปมันก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยรล้วเราปล่อยให้เรือนั้นมันไหลไปไหลไปไหลไปเรามีเด็ดตื้อท้ายอย่าให้มันแกวง่งไปซ้ายไปขวานั่นเรียกว่าเอก ก, กตาจิตเอก ก, กตาจิตทีนี้อย่าไปดูถูกตัวเองว่าเออเรามันทำไม่ได้ ได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ช่างมันแต่ว่าวิตกวิจารหนึ่งมันได้อยู่แล้ววิตกวิจารนะมันได้อยู่แล้วคนที่ได้ฌานก็เหมือนกับว่าเราสร้างตัวอาคารก็รสร้างตัวอาคารเราต้องลงรากลงรากลึกๆการนั้นฌานนี่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของญาณฌานการเพ่งญาณคือรูป ยา น, นคือตัวรู้ฌา น, นคือตัวเพ่งเพ่งแล้วก็รู้นี่คืออุตตการดาบทฉะนั้นเจ้าขวัญใจสิทธัตถดาบ ท, ท่านก็ไปสํานักนี้ก่อนพอไปสํานักนี้ท่านก็เพ่งจนกระทั่งได้รูปประฌานจบพอจบรูปประฌานขึ้นมาอาราธดาบท บอกว่าเออไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี้แหละเป็นอาจารย์ช่วยสอนไฟพลางพลงแล้วต่อไปก็จะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทีนี้แจวความใจสิทธัตถะดาบดท่านกวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันยังไม่หลุดตอนนี้มันก็ยังไม่ ย, ยังไม่หลุดท่านบอกว่าท่านท่านไม่เอาหรอกท่านไป ท่านจะไปอีกอไปอีกก็ไปอีกอาจารย์หนึ่งอุตตกาดาบดเอาไปที่อุตตกาดาบุตท่านก็สอนต่อไปอีกอารูปฌานที่ผ่านมาเียกว่ารูปฌานรูปฌานทีนี้อารูปฌานนี่คือเรื่องฌานเราฝันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เกิดเองเราไม่รู้หรอกแต่คนที่เกิดเองก็จะจําดีอะไรดีแม่นยำหมด ทนนี้ก็ไปศึกษาท่านก็ไปศึกษาอารูปประานคือสิ่งที่มันไม่มีรูปที่มันไม่มีรูปที่มันละเอียดไกว่ารูปประานอีกพอไปถึงคือมันมันจะต่อกันระหว่างรูปประานกับอารูปประานเพราะว่ามันจะเพ่งมันจะเพ่งพอจบอารูปประานมันก็จะเพ่งต่อไปอีกเพ่งต่อไปอีกจิตตัวนี้นะมันจะเพ่งต่อไปอีก พอมันเพ่งตัวเพ่งต่อไปอีกมันก็ดูเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นอารมณจะมาอีกอเรมจะมาอีกอะไรจะมาอีกเสร็จแล้วเป็นอยังไงอรูปฌานก็เลยเกิดอากาศนันจายตนะอากาศนันจายตนะนี่ที่อยู่รอบๆบตัวเรานี่มันเพ่งแต่อากาศแล้วใครไปจับได้ลรือากาศมันเพ่งแต่อากาศอากาศอากาศอากาศอากาศ ความรู้จะเพ่งในอากาศทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันมีแต่อากาศอากาศอากาศหายใจเข้าก็อากาศหายใจออกก็อากาศต้นไม้เติบโตขึ้นมาได้ก็อาศัยอากาศโลกนี้มันมีแต่อากาศมีชั้นหนึ่งที่มีอากาศแต่ชั้นที่มันสูงขึ้นไปก็ไม่มีอากาศนี่เขาก็เพ่งแต่อากาศอากาศอากาศอากาศสัตว์โลกก็อาศัยอากาศ เรียกว่าอากาศานันจายตนะอายตนะที่เพ่งอากาศอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพ่งแต่อากาศอย่างเดียวดูอากาศในต้นไม้ก็มีอากาศในใครใก็มีอากาศเราหายใจกันอยู่ที่ตรงนี้ก็นี่หายใจอากาศนี่ออกไป กกลายเป็นออกซิเจนออกซิเจนก็ไปข้าวคน น, นู้นไอ้คนนู้นมาข้าวคนนี้คนนั้นคนโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ที่เรื่องอากาศอย่างเดียวถ้าขาดอากาศตายรูปเดียวไม่มีอย่างอื่นนี่ไปที่แหง่งหนึ่งวันก่อ น, นก็ก็มีกระโจงเนี่ยวันที่เราเนี่ยมีเต็นที่เรามากลางนั่นแหละก็เคยอ่านหนังสือพิมพ์พบว่าไอ้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่อง เสร็จแล้วก็ไปนอนเต็นนอนเต็นเต็นใหญ่นะคงจะเป็นเต็นใหญ่ทีนี้ก็จุดตะเกียงไว้ก็จุดตะเกียงไว้มีลูกนอนอยู่ด้วยอะไรด้วยทีนี้ไอ้ตะเกียงนั่นแหละมันก็ต้องอาด้ายอากาศอาด้ายอากาศออกซิเจนมันเลี้ยงมาว้เลี้ยงวันถ้าขาดอากาศ อากาศมันก็เข้ามากระทบกันเข้ามากระทบกันที่ไม่มีอากาศมันมีช่องว่างแต่พออากาศเข้ามามันก็กระทบกันทีนี้ในเต็นท์น่ะมันไม่มีอากาศเพราะมันถูกเอาไหม้ไปหมดพอถูกเผาไม้ไปมันก็เลยเสียชีวิตกันเสียชีวิตระคายอากาศทีนี้เราก็ขึ้นเครื่องบินกันบ่อยๆกาก็ปล่อยออกซิเจนออกมาแต่ตามที่จริงที่เครื่องบินขึ้นไป หลาสิบกิโลนันก็ไม่มีอากาศแล้วมันว่างจากอากาศทีนี้อากาศสานัญจายตนะอายตนะที่กําหนดอากาศอากาศอากาศอากาศอากาศจนกระทั่งเ่าเบื่อเบื่อแล้วอากาศอากาศสานัญจายตนะเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเรเบื่อแล้ก็ปล่อยไปปล like ่อยไปปล่อยไปหรือว่าปล่อยวางไป รอยวางไปก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเอาต่อไปมันก็เกิดอีกจากอาคาสานัญจายัตนะก็เป็นวิญญาณัญจายตนะวิญญาวิญญาวิญญาก็คือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่วิญญาณผีวิญญาณเรานี่แหละที่ตาเราก็มีวิญญาณที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่ตายที่ใจเนี่มีวิญญาณทางนั้นหละวิญญาณคือตัวรู้ ตาเห็นรูปแต่ถ้าไม่มีวิญญาณรู้ได้ยังไงนั่นก็เรียกว่าจักกูวิญญาณโจอวิญญาณฐานะวิญญาณจิวหาวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจวิญญาณเป็นตัวที่สาตารูปจักกูวิญญาณหูเสียงอย่างนี้นเรา น, นั่งฟังกันอยู่ เรรับนะเสียงเรื่องอส่งนะเรื่องส่งทีนี้ที่หูนั่นแหละเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อกระทบ mm. ก็ทําให้เกิดโฉฏวิญญาณคือความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกจมูกก็กลิ่นนะแล้วก็คานวิญญาณรินแล้วก็รสนะแล้วก็ชิวหาวิญญาณ mm. กาย สิ่งที่มากระทบอกานเรียกว่ากายวิญญาณใจอารมณ์ที่มากระทบแล้เราก็รู้ว่าอารมณ์นั้นดีหรือว่าชั่วหรือว่าอะไรแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรไม่รู้มันก็ปล่อยวางไม่ได้มันมีแต่รู้ว่าคิดเรื่อง น, นั้นคิดเรื่อง น, นี้แต่ไม่รู้ว่ามันไม่มียังไม่มีปัญญาความฉลาดยังไม่พอ ทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้ตอนแรกเรียกว่าอากาสานัญจายตนะอากาสานัญจายตนะจางไปก็เกิดวิญญาณัญจายตนะอายตนะกําหนดความรู้ตัวนั้น กำหนดความรู้ตัว น, นั้นที media, natural, ่ว่าวิญญาณัญญาตนะทีนี้พอวิญญาณัญญาตนะมันเบื่อแล้วเบื่อเบื่อวพามันมากเข้าก็เบื่อเบื่อพอเบื่อก็มันค่อยๆคลายไปคลายไปคลายไปคลายไปก็เกิดอากินจัญญาตนะอากินจัญญาอากินจัญญาอากินจัญญาตนะก็แปลว่า ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่เห็นมีอะไรดูมันว่างว่างไปหมดดูได้ว่างว่างไปหมดที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ก็ดูว่างว่างไปหมดไม่เห็นมีอะไรแม้แต่ดินน้ำลมไฟพอดินน้ำลมไฟนี่กระจัดกระจายไปก็ไม่มันมีคนมีสัตว์อะไรที่ตรงไหนเลยดูมันว่างว่างไปหมดดูทุ้งนาก็ว่างว่างดูคนมากก็ว่างว่าดูอะไรก็ว่างว่าง ว่างว่างไปหมดนี่เรียกว่าอากินจัญญาจตนะมันว่างไปหมดว่างไปหมดดูมันว่างไปหมดแต่มันว่างไม่เด็ดขาดว่างเซมเว่าว่างเซมเว่างตัวอย่างนี่เป็นความว่างตัวอย่างเพราะฉะนั้นว่างตัวอย่างนี้แหละเราก็เอาว่างตัวอย่างนี้แหละไปขยายต่อไปเพรเรามีปัญญาเกิดขึ้น เรารู้อริยสัจเราก็เดยเห็นว่าง oh. เห็นว่างที่ชัดเจนขึ้นแต่นี่มันว่างแซมเปิลเราดูเบ้งพันอย่างนี้มันเศษกระดาษนี่เศษกระดาษถ้าคนเราหมดไอ้ที่ดาวอังคารมันมีคนมันมาถึงเห็นเบงพันอะไรเนี่ยว่เดินเหยียบเฉย เพราะมันไม่ยึดมันถือมั่นคิดว่าแพรนะอะไรก็ไม่ได้ทีนี้คนเรามันไม่อย่างนั้นเราเห็นเลขหนึ่งเลขศูนเลขศูนเลขศูนโอ้นี่มันเบ่งพันเราก็กล้าไปยึดมันถือมันแล้วมันไม่ว่างได้อย่างนี้ถ้าเราดูกระดาษเราดูเศษกระดาษที่เป็นเงินเห็นมันก็ว่างๆนามันมันหนักอยู่ทำมวยโง่หนักแตมันโง่ทําไม ก็มีไว้ไหว้ก็ให้มันเป็นาธาตุเราที่ไม่ใหญ่มีไหว้เพื่อที่จะบรรทุกน้าหนักที่จิตที่สมองมาบรงทุกมันหนักทำไมนี่เรียกว่าว่างๆเห็นว่างๆเห็นเป็นของว่าเป็นของว่าก็คือไม่ยึดมันมนนมดม่นถือมันว่างด้วยกันไม่ยึดมั่นถือมันนี่เรียกว่าอากิจญจายาญาณะอากิจญจายาญาณะฌาน ความไม่ยึดมั่นหือมั่นึ้นมานี่คือว่างว่างกันแรกถ้าเราอยากจะเห็นขึ้นไปบนภูเขาเอาขึ้นไปบนภูเขาขึ้นไปบนยอดมันน่งขึ้นบนยอดดูลงมาข้างล่างไม่เห็นมีอะไรเป็นของเราเลยหรือนะ ว, ว่าเราจะเอามาดรองพ่อนี่บ้านอยู่ที่ตุ่งนา เราก็เดินตามแถวทุ่งนาไปตรงโ น, น้นตรงนี้ตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรแต่พอมาถึงทุนน่งนาของตัวเองมันก็ยึดมั่นถือมัน่นเห็นไหมอั น, นี้มันนาเราอันนี้มันข้าวเราหรือว่าเราไปเที่ยวในป่าสวนยางไม่มีอะไรไอ้ของคนอื่นไม่มีอะไรแต่พอเป็นของตัวเอง่ยยึดมั่นถือมั่นแล้วยึดมั่นถึกมั่นแล้ว นั่นคือมันไม่ว่างแล้วทีนี้เราก็คิดว่าของคนอื่นก็เหมือนตัวของเราของเราก็เหมือนของคนอื่นอย่าเข้าไปยึดมัน่นถือมันม่นมั่นนั่นแหละอากินจัญญายตนะนั้นถูกฝังลงไปแล้วแล้วต่อไปมันก็จะเป็นญาณหรือเป็นปัญญามันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาไม่อย่างนั้นปัญญาก็จะไม่เกิด แต่นั้นรองพื้นพื้นเรียกว่ามีพื้นขึ้นมาก่อนนั้นมีอะไรก็มีไปที่อย่าไปยึดมั่นถือมัน่นแหมก็จ้างให้แบกเหล็กแบกเหล็กมีอะไรแบกเหล็กนิดเดียวแบกเหล็กนิดเดียวอยู่ที่หน้าอกมัง่งอยู่ที่บ่ามัง่งไม่เห็นมันหนักอะไรที่ตรงไหนเลยแต่ว่ามันหนักเห็นหมมันหนักกูเป็นนายพันกูเป็นนายคน เห็นไหมมันหนักนิดเดียวแหละมันหนักก็แจ้งก็จ้างไ้แบกมันหนักหนักเพราะอะไรหนักเพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้ามั้ยยังมันไม่หนักนี่คืออากินจัญญาญตนะฌานไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอนี้พอต่อไป พอเกิดเห็นเหมือนหนังตัวอย่างเขเสร็จ แ, แล้วผ่านพอแล้วผ่านผ่านที่นี้ก็ออไปเกิดเนวสัญญานาสัญญาญตนะอายตนะกําหนดว่ามีก็ไม่ใช่ให้ไม่มีก็ไม่ใช่เหรียญสองหน้าเท้ากับเหรียญสองหน้าแค่ว่ามีก็ไม่ใช่ ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เอ้ hey, เราที่ตรงนี้แหละไอ้ที่นั่งกันอยู่มีมีคนนั่งกันอยู่เต็มนี่ห้าสิบหกสิบมีแต่เดนะ็ดเลยเราเห็นว่าเออแยกออกผมขนเล็บควนหนังเนื้อเอ็นกระดูกอ้าวมันไม่มีนี่คนมาหายไปหมดแล้วมาหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยมันมีแต่าธาตแล้วมีแต่าธาต ธาตุดินแยกออกไปธาต์น้ําแยกออกไปธาต์ควายธาต์ลมอากาศธาต์วิญญาณธาต์แยกออกไปแยกออกไปมันก็ไม่มีไม่มีอา้าวนมนมไปเห็นสาวสาวพวกดาราโอ้ยบ้าดารากันอใหญ่พอเขาจะเปิดรา้านเนื้อเปิดห้างใหญ่ๆนี่เอาดารามาไหมไป่อยกันนั่นพวกบ้าดารา มันแยกไม่ออกแยกไม่ออกไอ้ดารานี่มันอะไรดารานี่เปลว่าดาวเปลว่าดาวดาวทีนี้ไอ้ดาวนี่ดาวอะไรดาวอะไรดาราผู้หญิงเอาก็แยกมันที่แยกมันที่โอ้ยมันยิ้มสวยตัดเปลือกปากออกมาที่มันสวยไหมสวยไห ม, มโอตาสวยรู้ไหมว่าที่ตานะี่ย ไอ้ที่ตานั่นแหละมันทาต า, ามันใสตาพร้อมมันก็ใสขนตานี่ควักลูกตานันออกมาที่นี่เรื่องนี้ก็มีเรื่องว่าพระพุทธโคสดาจารย์สมัยหมนู้นในประเทศศรีลังกาพระพุทธโคสดาจารย์เทศดีมาก พอ ร, รู้วพระพุทธโคสอาจารย์เทศที่ตรงไหนคนไปกันเหมือนไปหุ้มดารากันอย่างนั้นแหละทีนี้มีแม่หมากับลูกหมาสองตัวก็โอ้พระพุทธโคษอาจารย์เทศวันนี้ไปไปลูกไปความเทศกันดีกว่าก็ไปทีน้ไปกันลูกก็ไม่รู้หรอกไปอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็จวนลูกไป ่อแม่จวนลูกไปบังเอิญว่าที่ทางที่ผ่านน่ะเขาริงศพเอาไว้ลูกหมา ก, ก็บอกว่าแม่แม่ลูกหิวเหลือเกินแล้วตอนนี้ลูกอยากจะกินศพอ่อหิวแล้วเลยออกินก็กินแอ้ลูกอยากกินที่ตรงไหนมนะัน่ะจะกินที่ป่า อย่าไปกินเลยลูกปากเนมันพูดแต่คาเท็จเท่านั้นไม่เคยพูดคาจริงอย่าไปกินที่ปากออถ้าอย่างนั้นลูกจะ ก, กินที่ตรงอื่นนะกินตรงไหนอ่ะกินที่ลูกกตาโอ้อย่าเลยลูกที่ตามันมันนั่งเฝ้าแต่ละครโตรทัดอยู่นั้นแหละถ้ามันเป็นเด็กเด็ มันก็นั่งข้าวแต่อันนั้นแหละจนหลงอยากกินเลยตามันอยากกินอยากกินอยากกินมันชอบแต่เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องนั่นเรื่องนี้อยากกินที่ตาก็กินไม่ได้กินตรงไหนกินที่หูแม่หูก็อยากกินมันไม่เคยไปฟังเทศฟังธรรมเลยไปกินทำไวยล่ะมันจกกระโปรลูกเอ้ยนั่นมันจกกระโปก มันฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามท้งนั้นเลยอย่าไปกินอย่าไปกินที่หูก็ไม่อยากินเห็นตรงไหนอีก อ, อย่างนั้นก็กินที่มือมันที่มือก็กินไม่ได้เป็นอะไรอีกอะแมะ่มันมีแต่ไปตบตีตบตีใครไม่ตบตีไปตบตีพ่อแม่มันเองอย่าไปกินลูกอับปรีลูกนะกินไม่ไดอ้อย่างนั้นก็ ลูกจะากกินเท้าอย่าเลยลูกเท้าก็ยิ่งกินไม่ได้กินไม่ได้เลยกินเท้ามันไม่เคยเดินเข้าวัดเข้า ว, วาเลยมันเข้าแต่โรงหนังโรงละครไปดูหมอระทรบไปเที่ยวชอบตลาดนั้นตลาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินอย่างนั้นลูกจะากกินหัวใจมันยิ่งไปกันใหญ่ลูกเหอหัวใจของมันมันไม่เคยคิดเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะ ปฏิบัติทำเรื่องที่จะทําบุญให้ทานมันไม่เคยคิดโอ้ยไม่รู้จะกินที่ตรงไหนเอาไม่รู้ที่จะกินที่ตรงไหนแม่ก็บอกว่านี่ลูกลูกลูกแม่เสียเวลานา น, านแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันฟังเทศไปเถอะไปเถอะลูกหมาวัานยังไงโอ้ยคนทั้งคนไม่เห็นมีอะไรดีสักนิดหนึง่งเสร็จแล้วลูกหมาก็ว่าทุยอทรมน้ํำลายลดเลย เห็นไหมไปเลยไปเลยนี่แหละเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาต้องพิจารณามีกับไม่มีนะมีกับไม่มีมันก็มีเหมือนกันทุกคนนั่นแหละมีเหมือนกันทุกคนแต่เสร็จแล้วถ้าเราแยกออกไม่มีเพราะว่าไอท้ที่ที่ไม่มีนะเพราะเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมัน่น เราเห็นดาราไปดูดาราพอาไปดูดาราหญิงดาราชายเป็นยังไงดูเป็นยังไงมันร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยก็ว่าร้องไห้ร้องเพลงคือร้องไห้หัวเราะคนบ้าเต่วเราะคนบ้าอันี้พระอระหันต์นท่านได้แต่ยิ้มท่านไม่ใช่หัวเราะก้าก้าก้าก้าก้า ไม่มีไม่มีไปหาดูเด็อพระอาหารหันต์ถ้าเราเชื่อว่าที่ไหนมีพระอาหารหันต์จะหัวล็กก้าก้าก้าก้าไอ้น้ำตาไหลนี่ไม่มีไม่มีอันมีอย่างมากก็แค่ยิ้มแค่นั้นเองแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีเมื่อเราไม่เข้าไปยึดถือ ม, มีเมื่อเราเข้าไปยึดถือเรามีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเราขยันเงินทองฝากธนาคารไว้แล้วมันก็อยู่ธนาคารนั่นแหละมีนามีไรมีบ้านมีช่อง ม, มันก็อยู่นันก็อยู่มีที่ดินที่อะไรมันก็อยู่แต่เสร็จแล้วมันก็มีมีเพื่ออะไรมีเพื่อทามาหากินแค่นั้นเองเพื่ออย่างนั้นเอง แต่แล้วอยากข้าวไปยึดมันมนดม่นถือมั่นถ้าข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทุกทางนั้นเลยมีแต่ความทุกข์ทางนั้นเพราะข้าวไปยึดมั่นถือมัน่นยอดของพระธรรมนะยอดของพระธรรมผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เราคิดว่าเลอเลือดประเสริฐไม่มีอะไรเท่า เราอยากจะเป็นพระอรหันต์แต่พอเป็นพระอรหันต์กันแล้วกูไม่เอาอะไรเว้ยไม่เอาอะไรแม้แต่คิดว่ากูเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เอาพระอรหันต์นี่แปลว่าเว้นเว้นเว้นเว้นเว้นกายก็เว้นวาจาก็เว้นความคิดก็เว้นเว้นหมดไม่เป็นอะไรไอ้ไม่เป็นอะไรนั่นแหละเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไปบอกว่าเป็นพระอรหันต์ นั่นคือไม่เป็นนั่นแหละคือไม่เป็นให้จำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเล่าลือกันว่านู่นพระที่นู่นเป็นพระอารหาันต์ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่หรือว่าไปดูพระอารหาันต์ไปทําบุญกับพระอารหันต์พอพระอารหาันต์ตายก็ไปเผาพระอารหาันต์แต่พระอารหันต์ก็โคตรชนะว่ากูนี่แหละเป็นพระอรหันต์กูนี่แหละเป็นอารหาันต์ถ้าใครโคตรชนะว่ากูเป็นพระอารหันต์คนนั้นบ้าแล้ว เป็นโยมก็บ้าแล้วเป็นพระก็บ้าแล้วอรหันเนี่ยแปลว่าเว้นเว้นเว้นเว้นเว้นอะไรเว้นราคะเว้นโทสะเว้นโมหะเว้นหมดเว้นหมดเว้นหมดคือไม่เอาอะไรไม่แต่พระอรหันก็ไม่เป็นนั่นแหะคือเป็นนั่นแหละคือเป็นได้อย่างนั้นดงั้นเราก็จะต้องระวังต้องระวังไม่ใช่โคดสนา เดี๋ยวนี้ไอ้กรมโฆษณาอนะมันมีมากเนี่ยมันทําให้สื่อต่างๆนี่ออกต่างเว็บไซต์ออกต่างอะไรๆเต็มไปหมดเต็มไปหมดหเห็นไหมแค่นั้นพระอารหันต์ก็คือพระอารหันต์ก็คือท่านเว้นท่านเว้นท่านไม่เอาอะไรท่านไม่เป็นอะไรท่านไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรด้วยไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไร มันก็นั่นแหละคือพระอาหารหันต์อยู่ในใจของท่านทีนี้ถ้าไปอยากเอาไปอยากเป็นไปอยากได้ไปอยากมีไม่ใช่นั่นไม่ใช่พระอราหันต์ีเราจำเอาไว้ว่าเว้นเว้นเราเว้นทีนี้สัพเพธรรมานาลังปินิเวสายะสิ่งทั้งปวงสัพเพธรรมาน่ะสัพเพธรรมาก็สิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงก็คือทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งหมดสิ่งทั้งปวงทั้งนั้นเลยนี่ธรรมะคือสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรฝังจิตเข้าไปก็เรียกว่าไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูอย่าไปฝังจิตวังใจเข้าไป สิ่งทั้งปวงอันไกลไกไม่ควรก้าวไปยึดมันม่นเถือมั่นเพราะเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่มันมีอยู่สองในอ ย, อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนวสัญญาณาสัญญายาตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่คืออารูปปัจจานอารูปปัจจานอันี้ถ้าใครทําจบอารูปปัจจานถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้น ก็อย่าไปปฏิเสธมันปล่อยให้มันเกิดแต่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ไม่อย่างนั้นจะไปสําคัญผิดว่าตัวเองเป็นพระอารหันแล้วพอเป็นพระอารหันก็บ้าเลยทีนี้บ้าเลยมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่หาดใหญ่การปฏิบัติก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอารหันอ่านอย่างไงอ่านโเลยโว้อ่านโวเลย เวียนหัวเลยเลยดูแล้วทีนี่ญาติโยมก็ทนไม่ไหวก็เลยพาพระองค์นั้นไปหาพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสมาให้ท่านช่วยแก้ทีเถอะท่านว่าแก้ไม่ได้แล้วมันนานเกินไปแล้วนี่คือเรียกว่ามันจินจนติดข้าวเป็นนิสัยแล้วแก้ไม่ออกแล้วอย่างนั้นแก้ไม่ออกแล้วนั่นคือพระอระหันต ยึดมันถือมั่นวตัวเองเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหมุนเลยทีนี้หมุนเลยหมุนหมุนเลยนี่ก็เรื่องของพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นจําว่าพระอาหารหันตะ์คือเว้นเว้นเว้นเอาทีนี้เรื่องรูปฌานผ่านเรื่องอรูปฌานผ่านพอผ่านอรูปฌานแล้วทํำยังไงทีนี้ เรามีแค่สองอย่างอย่างหนึ่งรู ป, ประชารเพียงวิตกวิจาร์เกิดปิติขึ้นมาอะไรขึ้นมายกจิตขึ้นสู่วิปัสนายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาวิปัสนาคื อ, ค อ, คอยกขึ้นสู่ปัญญาเห็นแจ้งแปล ว, ว่าเห็นแจ้งที่สาธาทในความเห็นลงยุ ป, ปัจจยัยแปลงยุเป็นอนะ แปลงทิสาเป็นปัตสาวิบดนานี่ว่าไปหน่อยภาษาบาลีแล้วพอแปลงเสร็จแล้วสําเร็จรูปเป็นวิปัสนาแต่ก็เอาข้างหลังที่สละอาให้เป็นอาไปเป็นวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยอะไรก็เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วเห็นอะไรถามว่าเห็นอะไร ก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่พอนั่งเสร็จเป็นรมาธิยกจิตขึ้นสุวิปัสสนาเพื่อที่จะพิพจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กห็เห็นแจ้งตรงพ่อเสียเวลาเรื่องนี้มาตั้งนานอายุ16บหกปีส7บเจ็ดปีเป็นเนนนั่งในมุง้ง นั่งตอนนั้นก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมันไม่มีอาจารย์นี่ทำยังไงก็ดังพุโทโธอย่างนั้นนังพุโทโธดังพุโทโธจนกระทั่งว่าเป็นธรรมาธิพอเป็นธรรมทิความรู้สึกว่าตัวเองนั่งเหลก็โลยจนเพดานมุ่งเลยก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะไปถามใครอายากเหลือเกินระวิปัสจานาก็ทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นหลายปี นี่ท่านจําให้ดีนะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนานั่นคือวิตกวิจารณ์ด้านหนึ่งด้านหนึ่งทีน่นี้ถ้ามันเลยไปเลยไปเป็นฌานพอเลยไปเป็นฌานที่มันจบรูปฌานจบอรูปฌานพอจบอรูปฌานแล้วมันไปไหนที่นี่มันไปไหนทีนี้ พระสมณโคดมของเราตอนที่ท่านไปศึกษากับอุตการดาบทท่านก็ได้อารูปประชันพอได้อารูปประชันแล้วอุตการดาบทบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี้แหละสอนลูกศิษย์อยู่ที่นี้แหละไม่ต้องไปไหนท่านพิจารณาดาูมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ท่านไปเดียวเลยทีนี้ท่านก็ไปเดียวเลย อนี้มาถึงพวกเรานี่ถ้าเราคนไหนที่มันมีบา ร, รมีในการที่จะได้ฌานพอถึงในวสัญญานาสัญญายตนะยกจิตขึ้นสู่สู่อะไรสู่อริยสัจสี่พิจารณาอริยสัจสี่ทีนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพิจารณา อีนี้ยังไม่พิจารณาไม่ถูกเอามันก่อนคือมันจะขึ้นเองเนี่มันจะขึ้นเองพอขึ้นเองจะนั่งจะนอนจะอะไรทุกข์ระมูไทยนิโรธมากทุกข์รมูไทยนิโรธมากทุกข์ระมูไทยนิโรธมากภาวนายอยู่อย่างนั้นภาวนาทุกขระมูไทยนิโรธมากทุกขระมูไทยนิโรธมากทีนี้พอมันแก่กล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาไอ้ทุกข์นี่มันอะไรทุกข์นี่มันอะไรมาแล้วมาแล้วเห็นไหม เริ่มแล้วเริ่มจากที่คลายแล้วทุกนี้มันคืออะไรทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกมีความปราดานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกมาแล้วทุกมาแล้วนี่เรียกว่าไอ้พื้นฐานมันแน่นแล้วพอพื้นฐานมันแน่นแล้ ว, นนลวขึ้น เกิวิปัสสนาแท้แล้วทีนี้พิจารณาอริยสัจสี 4, ทีนี้ขึ้นอริยสัจสี 4. อันี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีบา ร, รมีในการที่จะได้ฌานเราก็เอาแค่ต้นๆ้นของรูปฌานแค่นั้นพอแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปหวังเหมือนที่หลวงพ่อพูดนี่ว่ามันต้องไดอารูปฌานแล้วเราก็จะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็นได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ชฌางมัน อย่าไปมีเจตนามันถ้ามีเจตนาเลยจะไม่ได้มันจะไม่ไ ด, ไได้แต่ถ้าไม่มีเจตนาทําไปทําไปทําไปเหมือนกับว่าเดินไปด้วยการไม่รู้อย่างนั้นนะเดินไปด้วยการไม่รู้พอมาถึงนี้นี่มันอะไรนมาถึงนี้นี่มันอะไรพอมาถึงนี้นี่มันอะไรอย่างนี้เราต้องถามแล้วอย่นี้ต้องถามแล้วต้องถามผู้ที่ผ่านมาก่อนหลวงพ่อ ก็อาศัยประเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสพอถึงอย่างนี้เราไปกราบเรียนท่านท่านก็บอกว่านี่คือมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาเรากราบเรียนท่านผมมาทําทําทําทำานท่านไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกว่าต่อไปมันจะเกิดอย่างนั้นจะเกิดอย่างนั้นอย่างเกิดอย่างนั้นท่านไม่ได้บอกเราว่าเราทําไปทําไปทําไปมันเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นมันก็เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเราสงสัยอีกสงสัยเช่นว่า อะไรอากินจัญญาจตนาะท่านอาจารย์ครับนี่อย่างนี้มันอะไรนี้มันอะไรท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้ว่าอากินจัญญยายตนาเราก็แปลได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอน น, นี่ก็เลยต้องเลยไปเข้าหาท่านหลายครั้งหลายครั้ง นี่เพื่อความแน่ใจตัวเองด้วยในสมัยนั้นอ่นานมาแล้วตั้งแต่น ون, ตู่นแต่อยู่ที่สวนโมกนูนแตั้งแต่ไม่บวชนู่นไม่ได้บวชแล้วตอนนั้นยังไม่บวชเลยนี่เป็นยังไงพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอริยสัจนี่พอไปกราบเรียนท่านจนถึงแนวสัญญาณาสัญญาญตนะ ท่านก็บอกให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้โอกาสทํายังไงทีนี้บอกว่าท่านอาจารย์ครับกล้าจ ะ, จะขอบวชกล้าวบวชได้แล้วอตอนนั้นก็จะถึงเวลาแล้วเวลาท่านว่าเออแต่บวชเนอะแต่ออบวชไม่เป็นไรไม่ต้องบวชตอนนี้หรอกรอหน้าพรรษาก็แล้วกันรอหน้าพรรษาจะได้บวชพร้อมๆกันท่านจะไม่ต้อง ตกเจกหลายหลายครั้งที่นี้ท่านก็เลยเอาจีวรมาให้จีวรที่ท่านให้นะจีวรสีขาวโยมก็ถวายที่ก็เย็บจีวรนี่ก็ถวายท่านมาจากโน่นทำแกรบเพชรบุรีโน่นหลวงพ่อก็เอามายอมย้อมยอมยอมมเอามายอ ม, ยอ ม, ย, อ ม, ย, อมยอมสีเอาจีวรสีขาวนั้นมายอม เก็บเก็บเก็บก็บไว้จนไม่เก็บแล้วนีนะว่กี่เกียรเก็บแล้วก็เลยไม่รู้มันขาดวินอะไรหายไปไหนแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เจวอนผืนนั่นนะถ้านายเจวรมาอะไรมาเดียบร้อยไอ้นี้ก็ลองดูแต่ว่าความอดทนหลวงพ่อสามคนที่เราไปรอบวชกันนะสามคนหลวงพ่อได้บวชคนเดียวคนเดียว อีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อีกคนหนึ่งไปมีเมียที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่ต้องบอกชื่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะข่มเพื่อนนอยู่กันมาแต่ว่าบา ร, รมีที่จะบวชมันไม่มีแต่หลวงพ่อสนใจจริงสนใจจริงแล้วก็ไม่พอหลวงพ่อมีพื้นฐานเพราะว่าตอนที่บวชครั้งแรก เกปีจากเป็นเนยเป็นพระรงพ่อก็ได้นักธรรมได้เป็นมหมาปรเรียนองพ่อก็มีพื้นฐานมาพอสมควรฉะนั้นที่ได้พื้นฐานมาแล้วต่อมาก็มักฝึกฝึกฝึกฝึกเนวกที่สวนโมกนั่นแหละฝึกฝึ ก, ก, กจนใช้เวลา10ปีสมเดือนสิบห้าวันนี่รงพ่อก็บันทึกเอาไว้หมด ปีสามเดือนสิบห้าวันได้ร้องพ่อกได้บวชบวชแล้วหลวงพ่อก็ต้องโยกับท่านพัรษาสองพรรษาพรรษาที่สองจบคือหลวงพ่อก็หาทางอยู่นั่นแหละหาทางจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทํำยังไงจะไปช่วยอะไรยังไงก็พรรษาที่สามมาก้าพรรษาวัดกุ่วาสวรรค์พอออกจากวัดกุ่วาสวรรค์ก็ ม, มานี้เลยทีนี้ เป็มานีเลยก็เป็นพรรษาที่สี่พรรษาที่สจนถึงพรรษาสี่สบที่ผ่านมา น, นี่หลวงพ่อทําอะไรทําอะไรตอนแรกออกจากบ้านอายุสิบหปีกว่ากว่าหปีกว่าแล้วบวชเนบวชพระไป9ปี9ปีก็มาโตเตโตเ ต, ต, ต, ต, ตอยู่เกปีไปอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเห็นว่า ไม่เห็นมีอะไรมันลุดหน้าก็เลยซึกออกไคว่พอซึกออกไคว้คือ ต, ตามที่จริงเราก็อยากที่จะหาครูบาอาจารย์น่งมันหาไม่เจอหาไม่เจอทํำยังไงเราไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามที่พระผู้ใหญ่ก็ทําทางกรุงเทพนัน่นแหลมันก็รู้สึกว่ามันเอือม่มเอือม่มยังไงไม่รู้แต่ก็ทํากันอย่างนี้เราซึกดีกว่า มันเราไปทําอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยเราแพ้ัยตัวเองเพราะเราเป็นเด็กเกินไปเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้แทนก็ไปขายตําแหน่งกันขายอะไรกันเราก็ท้อใจเลยถ้าก็ขายตําแหน่งกันอย่อยางนี้ก็เลยท้อใจกลับมาศึกพอ ก, กลับมาศึกตอนนั้นะอยู่ได้กี่ปีสามปีสมปีก็หาโอกาสที่จะบวชหาโอกาสหาโอกาส ที่ไม่ใช่บวชธรรมดาไม่เอาคิดไว้ในใจเราจะต้องบวชกับพระอราหันต์ถ้าไม่บวชกับพระอราหันต์ในชาตินี้ไม่บวชแล้วไม่บวชแล้วทีนี้ตอนนั้นพระธรรมพระธรรมโคสหจารณ์ท่านเป็นคนชาวชนบุรีแล้วก็มาอยู่วัดมหาธาตุรตมหาธาตุท่านก็เป็นพระธรรมโคสาจารย์อยู่ พอทีหลังหลวงพ่อก็ออกออกมาออกเจิกเจิกแล้วก็กลับเข้าไปบวชพอไปบวชไปอยู่กับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสก็เลยพระธรรมโคดสอาจารย์นั้นก็ตกมาอยู่ที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสอีกมันเวียนไปเวียนมาอยูน่นะพอมาโยที่ท่านอาจารย์พุทธทาส อท่านเสียชีวิตเอาพอไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญาพอไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญา้าต่อมาก็าอยู่กับใครทีนี้โอยอยู่กับเจ้าคุณวัดประยูนตอนนี้ไปอยู่กับเจ้าคุณวัดประยูนเวียนไปเวียนมาท่านอยู่อย่างนั้นนี่คือยศยศของพระแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสท่านไม่ได้เซ็นเลยว่าพระธรรมโกศอาจารย์ แต่ พ, ธธธพุทธทาสพุทธทาสพุทธทาส พ, พุทธทาสพิกุพุทธทาสภิกุพุทธทาสภิกุท่านไม่ได้ติดในยศท่านไม่ได้ติดในอะไรต่างๆท่านจะไม่ได้ติดท่านมีหน้าที่ในการที่จะเขียนหนังสือมีหน้าที่ในการที่จะปลอยแผ่ธรรมะนี่ปอยแผ่อย่างเดียวเผยแผ่ยยยยยยอย่างเดียวนี่ท่านทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เรียนรู้มาจากท่านมากมายถ้าไม่มีท่านอาจารย์พุทธทาสก็ไม่มีหลวงพ่อที่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกนี่มาจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสทีนี้ลูกศิษย์คนอื่นก็จก็เป็นยังไงก็เป็นไปนี่ตามหน้าที่ของเขาแต่หลวงพ่อถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านหลวงพ่อก็ภูมิใจแล้วที่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้แค่ทาหน้าที่ ท่านก็ไปทําหน้าที่ที่เชียงใหม่เจ้าชื่นก็ต้องการที่จะให้ท่านไปจําพรรษาที่โน้นที่วัดอุโมง์ท่านก็ไปไม่ได้ก็ท่านติ้งสวนโมกไปไม่ได้ท่านต้องอยู่สวนโมกฉะนั้นเจ้าชื่นเออเจ้าจุลิยฉายเขาก็อยากให้ไปอยู่ที่โน้นแต่ท่านไปไม่ได้นี่ท่านไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หลวงพ่อไปได้หลวงพ่อก็เลยไปคลุกเชียงใหม่ นี่เรียกว่าหลวงพ่อไปสืบทอดไปสืบทอดพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสมาสองครั้งแล้วสองครั้งก็เรียกว่าบรรยายไปหลายครั้งทีเดียวแล้วครั้งที่สามกำลังที่จะตามมานี่นี่คือทาหน้าที่เพราะฉะนั้นท่านทุกทุกคนนี่แหละเราทุกคนทำหน้าที่ได้ทั้งนั้นแต่เราต้องปฏิบัติธรรมหาพื้นฐานไปก่อน คนที่ไม่มีพื้นฐานก็พยายามที่จะศึกษาไปอะไรไปศึกษาไปอ่านไปฟังแผ่นซีดีไปเดี๋ยวนี้มันสะดวกเจ้านี้สะดวกมากก่อนมันไม่สะดวกอย่างนี้หรอกเราฟังไปอะไรไปเข้าคลอดไปแต่อย่าหลงหอย่าไปหลงอย่าไปหลงอันนี้ก็ปฏิบัติไปอะไรไปมันสะดวกเดี๋ยวนี้พระนิพพานอยู่แค่เอื้องแต่แต่ เ, เราไม่รู้จักเอาเอง นี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็พูดมาเรื่องของฌานก็เห็นว่ามันน่าจะจบแล้วเรื่องของฌานนี่มันยาวพอสมควรแล้วก็ค่อยพูดเรื่องอื่นกันต่อรายตอนเช้ามืดคืนนี้ก็ในภา ค, คําก็ขอจบคําบรรยายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกๆุกคนจงขยันในการทำธรรมธิภาวนา ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็จะได้เห็นของจริงว่าอริยสัจทีนี้มันเป็นยังไงแก้ทุกยังไงดับทุกยังไงไม่มีทุกนี่มันอยู่ยังไงขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จจงทุกวันทุกเวลาตถ่น